พอถึงเดือนเกก็เข้ากรุงเทพแล้วก็ไปภูเก็ตพังงาภูเก็ตพังงาไม่ใช่ของงา่ายนะไปจากกรุงเทพขึ้นรถด่วนขึ้นรถด่วนห้าโมงห้าโมงเช้าก็ไปบินทบาดเป็นวันใหม่สุราษฎร์ไปถึงเพียงสุราษฎร์นันน่ะข้ามแม่น้ำตาปีไม่ได้ พระสมัยนั่นสงครามโลกเขาอาลูระเบิดปรมาณูทำลายสะพานแม่น้าตาปีขาดแตกกระเจิงไปถึงที่นั่นแล้วก็ขันจังหันที่นั่นแล้วก็ข้ามเรือไปข้ามเรือแม่น้ำตาปีไปแล้วไปขึ้นรถไฟทางนั่นอีกขึ้นรถไฟทางฝากแม่น้มทางนั่นแล้วเขาไปจอด นครศรีธรรมราชไปพักอยู่ร่อนพิบูลหกเก็ดคืนออกจากร่อนพิบูลแล้วก็ไปอำเภอกันตังภากตังไปไปลงเรือที่นั่นข้ามไปเกาะภูเก็ตไปพักอีกหนึ่นคืนหนึ่งอยู่ที่ทําบุญป่าจา่าตื่นเช้ามา ไปส่งซดหมายอำเภอรตรังอำเภอกันจังตอนเดินก็ข้าวาเรือไปตอนเดินตอนหัวข้ามาข้ามาเรือไปเรือเดินในทะเลห้าโมงข้าจึงถึงภูเก็ตไปชั้นเรียนสบายก็วัดจีนจีนก็มาตอนรับไ่เจีนคนหนึ่งเยิ้มแย้ยแจมใส ห้าโมงครเขามารับใส่บาทที่นั่นสี่ห้าองค์ด้วยกันส่วนหลวงปู่เทพท่านไปก่อนแล้วเยอะเลยผมผมผงผงฉันเจฉันเจตัวแตงาผ้าไปเบื้งพระกระกจายนละทองปูพุ่งพะกระจาดยนะอันเดียวเ็าโม้ห้องอันละแต่เข้าเจ้าเป็นศาสนาทางมหาญานนน่งกางเกงน่งกางเกงแพร คเรื่องเลืองอ่อนเราใส่ผ่าใสเงบไส่ผ่าอังสะใส่ผ่าเบียงเขานาแพ้ซอกันแต่ว่าหอมเลืองอ่อนติแวะแวะแวะแวะผ่าคุมบ้องนใส่ศาสตใกรรมนหนสามปีเชื่อสงสารแจ้ปากวถมเถาาสาสกรรมย้คุกตทั้งงานเจ้าคอยนใส่ศาสตากรรมเคนว่าใส่ศาสากรรมยังหนอี ท่าังสาจะ่างวัฒน์อนเถา อ, ออกากลางนี่เขาคองฟ้อนสิไปทั้งนี้ทังครวข้นยกับกบขูดนบนวเนี่ยขันเมื่อว่าเม่ันเ <c oughs> กรร้ายกัลอัวละหกคันที่เรดน่อยบาวางกับไปสวรรค์ไปพุม่มขันวัดที่เรีดกับเขาซุกมันิ่พานขันว่าเมื่อทเรีดล่ะวัดาทังสารอันเนียขันรอมากกัม่มา อ่นว่าน่อยก็ไม่น้อยโอหน่อ ย, ออยคือว่าอย่างไรไม่จะทุกข์กบตายหน่อยในโลกอันนี้ว่ามีอีย่พง่ฟจะเป็นแกนเป็นสารไม่จะเกิดเคยมาแล้ ว, ปปวแต่ปวดแต่สลายไปคันที่ว่าทั้งทๆเกเรตไม่จะทะยะทะยานทะหัอยากลิบอยากดีอยากห้างอยากมนี้หน้กักเกน่ะ แลน้ำหูวพระเจ้าแผ่นดินขันว่าแลน้ำว่ได้เมื่อดราซื้อกินหัวน้ำเกลืออันนี้ว ไ, ได้แลน้ำนว่านด้ละเพราะขอเพื่นินบิลป์มาเมื่อที่บวชกระบวบผู้เพื่นศิเข้ารบนับถือว่าเปนหน้าที่ของเฮาหน้าที่ของเพื่นมันสิบย่กับเพิ่นผู้เพื่นจ้ว่าห่วงเกียร์พ้อมท่านน้าเฮา ปฏิบัติเท่าเท่าเป็นนาที่้องเพินบำนาทีเท่าสิดแตงเอาได้คุณธรคุณธรราถามหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่จะเอาไพลอุปถากรึนะจะเอาไพลมาปฏิบัติน้ามนะันโอ้ยาากระจิตเอาไพลแล้วอาจัรยกรแตงเอาได้ยังใส่ ก, ก ร, ระแตงเอาลูเสียดีคนแล้ว อ, อาจารย์เาอะร่าีวเจ้พูดสิ่ซับท่าแล้วว่าท่าน ข้าเจ้าพักทีบ้านไนทไดกเป็นเรื่องของข้าเจ้าข้าเจ้าสิถอยออกกัปเรื่องของข้าเจ้าข้าเจ้าสิสูก็เป็นเรื่อง ข, ของเจ้า ย, ยั น, นแกหัวร้นมวร้นพันรอนสมันเป็นจัดสอนก็ต้องสอนมันว่าเป็นจัดสอนก็คอนเสวิงเมื่อตากระสัน้อนดาบชีโมเมื่อให้ป้าบงางยางมาสันอ่้แต่หัวร้อนพัน้อนกันแล้วะ่ะ เขอกวท่านเขาบอกวาเขาบอกว่ทางภาคอีสานน่ะท่านแ้วคาเอาหนังสือมาจากที่แห่งเดียวลมเข้าข้างหนึ่งมีทั้งเกิดทั้งเปรทั้งดับทาสันสูงเลยนวลพาะอ่านมาออกเราบอกองจักทีดังเรี่ยงแบบงูเจ้า เหมือนจักว่าแจ๊กยังไหนกูเสียแเงิันหลายๆกันแต่กูซื้อรถขั้นง่า้ๆมาวันโหวันเว่ยมากูหลอดหัวันหัวกูหลอดขั้นหัวกูจะ ต, ตีมยันขึ้นนั่าสันาะหลายอ่ะเออพร ะ, อะเอาเนี่ยหพาพระซะเนี่ยหนึ่งสสี่ห้าห สี่ห้าหกหกคืออะไรตาหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเวคอเดี่วเกาะเดี่ยวกอนนั่งยามวันท่านใดเรียนี่แม่นาะนักเฉพาะพวกรวายุน่ะวันใดจะคนอันนี้เนาะอาแขมพวกพวกนี้แถมพวกพวกนี้อันนี้แ่ะ จะขวนมูเข้ามาเนี่ยมกกันบะตาหูจมูกเล่นกายใจอ้าเฮ้ยตัวจะเอาทั้งจุดหมดเลยม้วนไหอ๋อเออแล้วปูบุุนไม่เป็นะไรบอกระหั เอ no. อใข่แนอะน้องเออฉันสองเวลาระยะพอนกคนปฏิบ hmm. mm ัต hmm. mm ิมาพอนี okay. hmm. uh, ่งแล้วโอเคถึงสดพอนกฉันตอนแรกเกิดสิ่ต้องไปเม้นยี่ปเดียวไลฮะเออพอนกใครกันใครงัหน้าตัวสีอาสุดหนึ่งมาแดงแบ่ค่ะ ตัวไม่ผ่าอยู่มาใส่ย่างมาตัวแล้วเนาะตัวักทุกยีป่ป็เปลี่ยนไงฮคนี่ฮมันกับพ่อแล้วเอามาอีกตีรู้ไงไปมาเนีน่ยอืมอืม คนว่าสบายแต้งตัวแบบผาป้วยโรคใส่เลือนโรคใส่เลือนเป็นม่าสองพันสี่ร่อยเก้าสิบสองเป็นสองพันสี่ร่อยยี่สิบสี่ปีล้งฟูกของแก้วมีผ้าน โรคหัวใจโรคทูงน้ำดีเป็นนิ้วโรคลูกมากโตเป็นยอดสุดเดียวเยลี่หาโรคอ่โะโรคทาร่าอีกจังว่านุงยังสียห้องเมื่อคืนอ่ะลงมาหมวยแล้วก่อ น, นยังอะไรอะผ่าในครอบเราปะ่ะเออจันทร์นดียไปจุปกจุกเนานะไปไปจันทร์ีไปทางไหนทุกวันนี้ ไม่ไม่ได้ไปทางกรุงเทพหรอกพอไปถึงโคราชก็ไปอำเภอปากตงไทยใช่ไหมฮะเออเข้าโคราชเอ อ, อ, อคนจะอาจกปัดเป็ปนจะุกปัดจุกนมากับรถใครเดี๋ยวดีเดี๋ยวดี้ดพบชาวจันบุรีก็ต้องให้ครบสินั่นแหละพวกโยมนะั่น พวกโยมจันวรีก็ต้องให้ครบสิไปเอาไปให้ก่อนพวกอยชี่ใกล้เออเรียนมาทางนี้ลูกหลานเรียนมาทางนี้ฮะอะรก่นอธิาติเมแก้นี่ไม่แกวนี่ยเป็นเป็นยังเป็น เออเาใาใเอาน้ำเหลืองาทาที่ขันใช่ทาที่ันพระามองสโฆสมองงโฆยอเดียวพระันดืน้ำสกทีเยอเดียวน้ำอนั่นน่ะน้อ่อัใสเอามาถวายใไหมโอ้อันน้ำเหลืองพะคันสันจะกวันวย นั่นน oh, re ั่นนันนนเอามาชั้นจะกอดที่ไงคอคบกันไว้น่ะเออนั่นชั้นจ้ะเออชั้นจ้ะ โรควาดว่ามันโรคทายได้เนี่ยน่ามันมนา่นามนน่านอะไน่ามนไร่าไม่เง้ยจองน่าี้ยนาไม่เียถึงกว่าคีโค้ดถึงนอามันยงไ เด็กคนนี้นะน่ารักมากเลยนะเด็กคนนี้นะ จะ้ักการเปิดตาแดกเข้ามั้ง ให้พ่อทักไปก้อนพ่อทักไปไปซักวันบ้านดูพุทธจันทร์บุรีเพราะเป็นบ้านด้วยไ <c oughs> กลเา่าจะไปก่อน ừ, ไป <c oughs> ดูวดันไหน ว่าเข้าใจเข้าใจไม่พลาดอะไรปไปไหนคันจะโค้งลงมากะโค้งลงมาหาใจเป็นเอ้ร้านในบาทคันเราโยนลงมาเป็นสองก็กายกับใจโยนลงขยายออกไปเป็นสามกลายว่าายใจพระไตพิรกกายว่าใจใจพระพรใ จ, ใจพริพรล ก, ก จ, จะ่ ย, ยนลงมากะโยนมาหามาโนภูพัง คือจิตใจสีทถาบาปกับมันจิตใจเป็นผู้ท่าสี่ถ้าบุญเป็นิตใจเป็นผู้ทําใจไม่คุ้นเป็นมหารไม่โทษเป็นอนันตท่าถือเขาไม่คุ้นเป็นมหารทำผิดกับไม่โทษเป็นอนันตขากายขาเอาไปผูกข้อข้อตายกับมันใจพราะมีเกลียดเป็นหน้าหนายุหันสิไปสวรรค์กับมันใจเพราะมีเกลียดไปหน้าหนายุหันโอเพราไมีบุญพ้นบุ่นเป็นหน้าหนายุหัน ขันไปทั้งกุศลพ้นบุญนี่ยมันพระพุทธเจ้าเป็นน่ายนอายุหันขันไปทั้งบาปเนี่ยไม่นนายน้ามันมันนายกิเลสเป็นหัวใจเป็นเป็นนายนาหัวใจวางขัดเถอะขันไปทั้งบุญเน่ยมันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นน่ายนายุหันนไปทังบุญไปทั้งบุญของพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นน่ายนายุหันขันไปทั้งบุญ พวกศาสนาอื่นกกบุญโล ก, กีก็บุญโลกีกับบุญโลกอุตระในเทตกันบุญโลกอุตระนับเฉพาะสวัสดิบาลขึ้นไปต่ำก็บุญโลกอุตระน้อยมาเป็นบุญโล ก, กีบาปก็เป็นบาปโล ก, กีบุญโล ก, กีคือบุญพวกนี้บุญพวกฤาษีและพ้ามผ้ามจําพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วพวกถือตายแล้ ว, วาตายแล้วเกิดก็ไม่สองจำพวก บอที่ถือว่าตายแล้วศูนยนั่นเพราะการโลกกันตาหน้าโลกยืนยันว่าตายแล้วสูนยนั่นก็บไม้ขึ้นมาเสียงยืนยันว่าตายแล้วศูนอั่นเสียงนั้นเมันเสียงเองน่นเสียงคุก ด, ดินสองจะของนั่นคนเฮายืนยันว่าตายแล้วเกิดไม่บุญไม่กุศลนั่นเสียงอันนั้นไม่ยังเสียงอะไรมันเสียงรดเสียงรดสิขีไปเมืองสวรรค์สิขีไป มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัตินื้พานสมบัติสิ่งไหเป็นมนุษย์สมบัติได้เต็มภูมิสิ่งนั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติได้เต็มภูมิเื่ากันเป็นภูมิสมบัติได้เต็มภูมิเื่ากันเป็นนื้พานสมบัติได้เต็มภูมิเื่ากันเพรอย่างไรพระสวัสดิบาลให้เอาซ้ำเลยนีน้มีสินหาบริบูรณ์วิเชียรอยากรวงน้ำมืดสินหาวิเชียรอยากเล่นอวัยยมุกอวัยยมุก ไม่่อายเนี่ยวัตถุหมายต่างกันเรียนเลขเรียนพาเรีนมัดเรีนเบอร์ความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงเรื่องการพา น, านันครบครัชัว่วเป็นมิตรทอดฉี่ประการนี่ไม่ควรประกอบอบายมุขชิบหาอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากเรื่องความมุขะมุขะมุขฆ่าอบายมุขเปน็นมนุษย์วิบัติไม่ใช่มนุษย์สมบัติ จีเห็ปปฏิบัติทั้งเล่มถ้าใครเว้นได้มันก็เป็นวิชาของพระโสดาวันทั้งนั้นเบื้องต้นของพอมจันทร์ก็คือสุปฏิปันโนหัวดำหัวขาวกระซางเพศศละวาดก็ตามพถึงสุปฏิปันโนแล้ววัชเะไดอยากลงนเมิดเช่นหาวัชระไดอยากถือศาสตร์อื่น ว่าเสียดายอยากถือเวทม่อนขนละค่าถาว่าเสียดายอยากถือเหลืกดีย่มดีม่าเสียดายอยากค่าขายมนุษย์ค่าขายไม่เสียดายอยากฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลืเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายหาย่างนี่เป็นคอหามของเศ้าโลกว่าหายประกอบ กขมาอุบาสกอุบาสิกาก็ะหมายมถึงเศร้าโลกอ่ะเป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ประกอบเป็นเครื่องเป็นเครื่องห้ามของครหัสไม่ให้ประกอบเขามาค้ารหัตกรหมายถึงโลกทางปวงด้วยสมบัติของชาวโลกห้าประการผู้ที่อยู่ครองค้ารวาสประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยเลย ไ ม, ไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคลไม่แสวงหาเขศบุญนอกพระพุทธศาสนาะบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาะชาวโลกต้องตั้ ง, งในสมบัติห้าประการและเว้นจากวิบัติห้าประการซึ่งตรงกันข้ามคําสอนพระพุทธเจ้าไม่แต่เนือ้อบพราะมีกระดูกเอามาเบังย่ามไหกับไม่ย่ามบุญย่ามเนา่าคำนั้นหนทางกระเตียนเพราะมีสรุปสุดต่อ เยียนอยู่บ่เี่ยก็ไม่ลดขึ้นไหวชีเดินบ่เดินสร้างเปลี่ยนอยู่ซ้ำนั่นบ่คือหันทางภายนอกเข้ามักโค้มักคั้งอันวางหนทางเทียบเป็นหันทางภายนอกเป็นบุคลาธิฐานก็มกักจิตมักใจมกักค่วมปฏิบัติ่นี่ยสร้างอันใดลองแล้วเมว่านทา้งบุญหรือทังบาปผลมาต้องการก็ได้รับตามส่วนค่วนคาของเหตุที่ทำขึ้นเหตุพืชกรรม ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็มีความหมายอันเดียวกันส่วนไปทางในทางชั่วแล้วแต่เหตุกรรมพืชเป็นประมาณเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุยืนผลก็ยืนเหตุนอนผลก็อนอนเหตุรับตาผลก็มืดเหตุกับผลบม่ยุ่ห่างกันพ่อเก้าเธอจะรู้ตัวหรือไม่หรืออู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ละขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ไปจะไปทางไหนวันนี้นครมศาลบุรีเพชรบุรีผ่านไปแล้วเคยผ่านอยู่นครพนมอือนครพนมไปนครพนมจะไปไหว้ธาตุกับเขาเลยถ้ากรรมฐานของเราไปไหว้ธาตุเวลานี่มันไม่มันไม่สะดวกมันคุกขุยไม่เคยไปเราเห็นว่าใกล ให้ได้นังซื้อคักรบ่ได้บ่ครบเราบ่ครบราบ่อืมปวด่อสมัสมโกเออาเืองสูเออชสมัสโกโปวดชสมัสมโกโชสมสโกุบปวดช่ออะอให้พรเช้าก่อนเวยย้ยยะทาวาลีวาฮาปูราปาลิปูเรนเทสากลัง เอวเมวอิตโตทนินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปชิตังตุมหังชิปเมวสมมิสัตุสเพปูเรนทุสังกะปาจันโทภนาริโสยะธามนิชโช ท, ทีระโสยะธาสพีติโอติวัชันเถระสัพพทุโขสัพพเยโยสัพพโรขโววินัสสัตโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปะาจายโนจัตตารโร สมาวัทันติอายุวันูสุขังพระหลังโสภาธัรโธสุเกโตวิรุนโหพุทธศาสนอโรโคสุเกโตโหหินะสัพเพหิยาติภิหาธัรัตาสุเกตาวิรุฬหะพุทธศาสนอโรคาสุเกตาโหหินะสัพเพติหิยาติภิเตธัรัตาสุเกตาวิรุฬหะพุทธศาสนอโรคาสุเกตาโหทะ นะทัพเทียติภิกขะวัตสัพพมังคังละคันตุสเทวตาเนวะพุทธานุภาเวนะสะาโสตถีพวันจุเตวะวัตสัพมังคังลคันตุสัพเทวตาชาัมานุภาเวนะสะทาโสตถีพวันุเตหะวัตสัพมังคังละคันตุสัาเทวตาเนวะสังคารณุภาเวนะสะทาโสตถีพวันจุเตหัตเตหวัตัตเตหะวัตเตหะวัีเตหะวัตหัตงหเเตหะวัตเตหะวัตเตหะวัเตหะวัตเวเตหเตหไว่ตว่าดี สุขในพุธทธธรรมสงสุขในพระสวสดาบาลสักคาคามีอน า, าคามีอาหารหันต์สุขทางอื่นไม่ได้เดินท้อมเถเป็นสุขที่ไม่แน่นอนสุขพุธทธธรรมสงนับแต่สุขพระสวสดาบาลเป็นต้นไปเป็นสุขที่บานหน้าเหมือนนางพระจันทร์เลยขึ้งขึ้ น, นแล้วไม่กลับมาแรมอีกเหมือนเดือนเอวัาางไปเฮ็ดบาปแล้ยซื้อว่าบาปยังกระางเข้าใจเป็นผู้เฮ็ ด, ดใจเป็นผู้ใช้ซื้อเฮ็ดบาปป่นย๊ย ก็มันใช่ซื้อว่าบุญมันก็ใช่เพราะไรมันบัญญัติบุญว่าถือคือศาสนาอื่นคาสัตวไปสวรรค์ก็ยังมันเขาจะคาโตไปสวรรค์ผมานมาย่อมนั่นบรญญัติบาบุญว่าถือศาสนาอื่นเพคือพระพุทธเจ้าของเขาแล้วพระพุทธเจ้าของเขาบัญยัติบาบุญถืงได้จะมาสัตย์างสัพยัญชนะเจวะรัปริพุณางปฏิสุทธังพมจริยังประกาศเสสิบริบูรณ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะแล้วทั้งเบืองต้นเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายด้วยเบื้องต้นคืออะไร คือศีลเบ้องกลางสมาธิเบื้องท้ายคือปัญญาเบื้องต้นคืออะไรคือทานคือศีลคือภาวนาเบื้องกลางเบื้องท้ายเบื้องต้นคืออะไรคือสุวัจปโนอุชุตยยะบุชุปจจโนก็เบื้องต้นแต่ว่าละเอียดกว่ากันยายะเบื้องกลางสามีจิเบื้องท้ายศีลในทางพุทธศาสนาศีลหาเป็นโลกุตละศีลถามว่าเห็ดให้ดางใหย่หอย คำว่าสันพวกพระเนมั้อเนี้ยมันกกไดในพระสวัสาวันมันเจีบเล้วมันดางมันพลอยอย่างนี้มันเสียดายอย่างลงละเมิดอ้วเนี่ยมันเสียดาทัทงผ่าอย่างไรคำว่ามันเสียดายอยากลงละเมิดมันจงความสิบริสุทธิ์ศีลนะสมาศีมันก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลเหมือนกันศีลละนุสติอนี้แล้วแล้วถึงศีลที่ตัวรักษาเันนี้ศีนท่านศีลพาวนาของพรสวัสดวันเป็นท่านศีลพวนาสีจะรู้แจ้งแท่งตลอดเนี่ยมักผลนิานเนีย นโมพระโสดาบันเป็นนโมพระลงท่างหู่นักษ์ช่างเขาซูพระนิพพานเบื้องต้นเดินทางเบื้องต้นของข้างเขาสูพระนิพานนะนโมพระโสดาวันแปลว่านอบนอบนอบนอบสิเดินทางสิบอกว่าใส่แวะขัวนโมสักท่าข้ามีเป็นนโมที่เบาไปก็พระโสดาวันนอบนอมเก้งก็กลั่นไปอีกนโมภักะิ์อนาข้ามี่เป็นนโมที่บอมีราคานอบนอบจนบอกมีราคาทุกสาขาเจิอเลย นโมพระละหันเลี้ยนนโมจบแล้วบริบูรณ์แล้วจบกิจของนโมแล้วคดจบกิจของนโมคดจบกิจของพระพุทธศาสนาเหมือนกันวางกันจำกรณีน้อ ง, งมากพระพุทธเจ้าปรหลับรองเป็นยังจังไม่โรค ก, กีกับโรคพุทธละมาผลเปกันปัญหานักทำเองผูกคนเดียวนี้แหละแก่เดียวนี่ทําไมจึงมีโรคกี มาปนไปกับศาสนาพุทธอยู่ขอตอบมาให้สมภูมิบ้างภูกขึ้นยวนี่นะภูกปัญหาละกขำเองท่านเรียนหนังสือมาขนาดนี้แล้วท่านธรรมวิทยะของท่านจงสอดส่องทมดูสิจงวิจารณ์ทมดูสิทำไมจึงมีโรกีมาปนไปในศาสนาพุทธ ขอตอบว่าเพราะเอาคำสอนของศาสนาอื่นมาปนเปกับศาสนาพุทธก็เลยมีศีลโลกีศีลโลกีสมาธิโลกีปัญญามาปนเปกันพระเหตุใดเพระเหตุว่าธมชาละสูตรพระบรมศาสดารับรองสุปจปิปนโน เป็นต้นไปนอกจากนั่นไม่ไ ม, ไม่ไม่รับรองเหตุนะั่นจริงว่าสุภิปโนอุชุยยะสาเนจินี่นะสาวยของพระพมีพระภาเก้าไม่ได้บอกว่าสายท่านผู้นั้นสายท่านผู้นี่เป็นสาวยของเราสายหลวงปู่มัน่นสายหลวงปู่โตสายหลวงปู่อันนั้นอันนี้เป็นสายของพระสมมาสัมุทรเจ้าไม่ได้ว่า บอกว่าสุปัปะจันโนอยุชายสามีสิท่านนั้นเป็นสาวกของเรายืนยันเท่านั้นพระบระมศาสตรานักยกพุทธหอนพระโมกขล่าสารีบุตรก็ต้องมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาสกรจึงสามารถเป็นพระโสดาบันได้แม่นบอกท่านมหาขันตวแม่นเสนาท่านมหาเนี่ยห้องวไดเรียนัวเลียนห้องเสนาโต เอาหมข้ามานั่งรับตรายพระวานาขันบรแมนเมื่อไหตัวว่ามากมึงดูเนาะตเป็นมหาศีประโยคแม่นบะสามประโยคอนะสามประโยคตประโยคกายประโยควาจาประโยคใจประโยคศีลประโยคสมาธิประโยคปัญญาเอาจะเทียบจะประมาทเอาภาษธาตุในบุตรกัปโผงขั้นล่า ต่อค่ายคั้มเหลื่อมใสของสนชัยนาฏบุตรจึงสามารถเป็นพระสวดาบัรได้เมื่อมาเหลื่อมใสพระอาทิตย์ก็ถกับว่าเหลื่อมสพระพุทธธรรมประสงค์แง่ตัวค่ายจากนีกยย่ไก่นั่นแล้วว่อมาเห็นพระอาทิตย์ก็เรียกค่ายจากนีกยย่ไกนั่นก็ได้มาฟังเทศพระอาทิตย์พระสารีบุตรโอ้ย ท่านไ ม, ม, ม, ม่มีผิวพันธุ์วัฒ น, น่รรมใสแท้ท่านบวชเนะี่ยสำนักผู้ใดใครข้าพเจ้าสิถามท่านกำลังท่านบินทดดัพบาจูเดี่างนี้นึกไม่ใจเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราทิตามออกไปตามพระพิโุออกนีปออกไ ป, ออกไปหอดนอกบ้านเฮายังสิถามเหมนะือนกันที่ก้าออกไปแล้วถอยกลั๊บ เ, เหลือใสแล้วขัวเหยียดขู่แข น, นยังมีเสีทยทุกขีเดียบบวเขาปรากฏในใจของเฮาน่ะ เราไม่ทั้งหลงเลยดีผิวพรรณวรรณกับพองใสนะบวชชั่นักผู้ใดนะ้ะขขาหน่อยสัตวพวิบบานนะเพั่พก็ บ, บอกว่าบวชชำนักของพระสมณโคดมพระสมณาโคโด ม, ด ส, ม, โคโดมสังสอนอย่างไรเด้อมาั่โอ้ยเฮ้าเปลี่ยนภพิกษูใหม่มาสั่งบวาสามาจะแสดงจทำกวงขวัญให้ท่านรู้ได้เพราะเหตุใดจังมาสัตเป็นพระหานเ่ครก็เพราะวามสาธิบุทธ อยู่ในสวนไชัยนะ่าสมมติเขาร่ำลือทราบว่าเป็นคนไม่ีปัญญาก็เลยพูดทอมตนไว้นั่นพระพระหันฉลาดที่เด้พูดไม่เหมือนไข้ห้วยผู้ขาว่าต้องการพิสดารเด้ผู้ข่าต้องการยอ่ยอๆดอกราศั น, นโอ้ยเทียบเอาธรรมจกกักรประวัตนาสูตรมาบอกนาอสูตรอันนี้นาอยังกินเสียสมุทรไทยธำมังทรัพันตังในหลวงถามันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมดาเอาฟาซิฟาซิธรรมจักมาบอกหัวออกหัวใจพระธรรมจักมาเบอกโอ้ยเข้าใจพ่อแล้วเขาไ้เลยเมื่อนี่สะไปหาเชียวกันนะว่าสังคุดแน่ใจเดี๋ยวพระาศาสดายุวันไหนยุวผลยุวพิเราไล่ล่าเพลินฝ่ายให้เข้าใจแหละฝ่ายข้าหมฆะขา้าเห็นเป็นเชียวกันแน่ยุ น, น, ยนําสนชัยนาฏกรบุตร โอ้ยผิวพัน์วันนะ่ะคือตางเกาเ่าแท้เมือนนี่หน้าตาพ้องใสจิตคือเบิกบานมุ้งส่อง่าสันตัวด้ทําพิเศษกัมาบอยเขาฟังได้เตี้ยวเอ้ยมายสันตัวเด้ดทำพิเศษกับมาบอยเขาฟังมาันพวกเสด็จทำพิเศษกับมั่งเหมือนี่มาสัน ข, า, ขาดกันเ่กิตคือกัน่ะเขาเคยเป็นเชียวกันมาแล้วจะพุ่นจะขังพระเจ้าโนมาทัศนีเผื่อนะปารธนาเป็นาวงค์เมืองทรายบกขัวมาแต่พุ่นวาวมาสัน สิ่งใดเกิดแต่เหตุสิส่งนั้นกิดับแต่เหตุตัวเซลล์สัตว์ั่นไม่เข้าก็บเข้าใจสักอันเดลยวก็เทีวอย่างสันวาสั่วนี่มาไปสัตว์มู้ฮอากไปล่ะสนใจนาะตบุตรต่วัสัตวนี่ไปหาพระองค์เจา้าพระองค์เจ้า ว, วิสัยวะสัตวรพอได้ทราบข่าวว่าพระองค์เจ้าเกิดขึ้นแล้ววะสัตวไปก็ไปตีมูเฮ่าววะสัตวพ่อหนีจากสนใจนาะตบุตรไม่บริวารหารอยคนทุ่งเงาพระกันเงาบดบัดบดว่าแนี่ สาวกผู้สลาดนี้ห่ะเออคนงอก็อยูน่นคำเฮาสะคนสลาดไปแบบไปมาหาไปหาพระไปหาพระโคดมใช่นเนาะไปสักเอาเฮาสิเอาจ้คนงอเราก็สัเขียบดประซุดไส้กันก็แล้ ว, ว, ป ว, ลวลไปไปหาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าก็เลยบวชห่พวกนี้เอ้ฮีคู่สมหาบะได้เนาะคนนี้เนาะพระนี่ได้ ปฏิบัติอยู่ไปปฏิบัติยนพระองค์เจ็ดมือพระโมกัล่าก็ได้สําเร็จพระอรหันต์พระสาเรวดิพหามือในสําเร็จพระอรหันต์พระโมกขล่าในเจ็ดมือในสําเร็จพระอรหันต์ไปทำคนเพื่อนอยู่บานกันละว่าละมุตตะขามแขวงมคตไปนั่งทับประงบกูนี่แหะพระพุทธเจ้าได้บอกวิธี วิธีแก้ง่วงเหงาหาวนอนหลายวิธีถ้าเธอมีมนอะไรเธอจงเอามาท่องบนเพื่อจะแก้ความง่วงของเธอเช่นโมทัศสาวโทระโทสมาสมุทัสสะเหล่านี้เป็นต้นถ้ายังไม่หายง่วงให้เธอเดินจงกรมกลับไปกลับมามีสติไม่คิดไปภายนอกข้อนี้จะเห็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ ถ้าเธอละยังไม่ได้เธอจงจำแสงสว่างในกลางวันไว้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเอามาแพ่งในใจจำแสงสว่างตอนกลางวันงวันไว้ว่าลักษณะมันเป็นยังไงรสชามันเป็นยังไงจำแสงสว่างไว้ในใจเรียกว่าอโะโรกสัญญาสัญญาไปแล้วความจาถ้าเธอยังละไม่ได้เธอจง ดอช่องหูเอามือลูบตัวกลับไปกลับมาและมีสติอยู่ในที่รูบข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้าเธอละยังไม่ได้เธอจงเอาน้ารูปตาแล้วเงี้ยนดูงดาวทั้งสีทิศข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้มีร้ายอันนี้ปริ ย, ยัติสมุขขั้นรากะ พญาย่ามทาความเพียรก็าสาเร็จภ า, ารหันไดว่านั่นได้เก็บมือได้มือสิบหามืออะไรภาษาเดียบุตรจึงสำเร็จภ า, ารหันมือสึงสำเร็จภ า, ารหันก็ไปโย่ไปพักอยู่ทำสุกระขาตาที่เรียกว่าทำสุ ก, กราขาตาหลวงพ่อมันว่าทามรุ้วดได้สำเร็จทำมูดวดได้สำเร็พ่อหลวงพู้มันเปร เราไปฟังเทศกับนี่ที่คณ ะ, คะอักขิเวทสทาราโคตเข้าไปถามพระองค์ชิ้นนั้นควรแก้เราเราควรชิ้นนั้นชิ้นนี้พวควรแก้เราพวกควรชิ้นนี้เราควรแก่ชิ้นนั้นย า, าายางบางสิงนบางยาถ้าความเห็นชช่นนั้นก็ไม่เป็นที่บริสุทธิ์กับของเธอเถ้าเธอเห็นเข้าข้างตัวเธอจงเห็นเข้าข้างธรรมบ้างโดยใจควอว่าพระชายาบทตรพระองค์เลยแสดงประหอด โลกเวทนาสัญญาสังขารเว็นากเป็นของบะเทียงตัขคืนมาแล้วก็ไปดับไปเหมือนดังหัวฝีแต่สลายไปภาษาเรีบุตรก็ทํางานผัดอยู่ทางหลังงานผัดห่อนคือจะเป็นอะดูห่อนคือมันจะเป็นทั้งสันพระส า, ารีบุเอาพระอรหันต์ไปกินแล้วหทํางานผัดอยู่ทางหลังที่คณะคาอ ค, คิเวสนาโคดได้ถึงพระศรดาวันบ่หรือแต่ถึงแต่ธนาโคดก็ยัว่าถึงพระศรดาวันเนาะ ได้พัฒนาได้ถึงพระสะดาวัน n ั่นกันเทศกันเดียวกันฟังแล้วผู้ได้ระดับจิตต่าก็ได้ต่าผู้ได้ระดับจิตสูงก็ได้สูงคือคนเสมอเขาไปหาพระหาเจ้ากันเทศกันเดียวกันผู้นึ่งไปผูกเอาเล็บผู้นึ่งไปถึงใจชนะข่มผู้นึ่งไปผูกจักข้อหมายมันขึ้นอยู่กับระดับจิตของฝ่ายของมันแล้วดอกบัวซีเหล่านั้ เมื่อเมื่อจะขงพุทธการข้างนี้ก็มีอยู่ดอกบานกับบานเต็มพู่มดอกตูมกับตูมเต็มพู่มดอกเสมอหน้าเสมอหน้าเ็มพู่มดอกใต้น้ำกับใต้น้ำเต็มพูมดอกใต้น้ำนี่ก็อุปมาคือผู้ที่ถือว่าตายแล้วศูนย์หรือยังงูหเมือเทียบมือท้ายอะไย่างเพราะมีคตีหลายาบางที่กับพ่นน้าบ้าบางที่ก็เป็นฟ้าฟ้าแห้งป่าและเตาดอกเสมอหน้าเนี่ย อุปผมาบุคคลผู้สนใจในพระพุทธศาสนาบาน้าในศาสนาอื่นว่าปั้บผลกันบ้าดอกพ่นน้ำแร่แหละอุปมาคือพระโสดาบันดอกใกล้สิบานนี่โอุปผมาคือคือพระอันน่าข้ามี่ดอกบานนั่นแหละอุปมาคือพระละหันเอานั่นแม่ก็มีท่ทุกทุกสมัยนี่ สาปสาลวงไปท่านนั่งท่านนี่มรควนเนี่ยพานเมืแล้วสันเจ้าสาราชซ้ำไหนเจ้าสมอหุจักวันเมื่อเจ้าคนตาบอดเจ้าที่ไปหุจักคนตาดีจังไหนอืพระรหันว่าเมื่อดอกพระสาัสดบัณฑว่าเมื่อดอกพระสกทาข้าวเมื่อดอกเพราะว่าเพิ่นไปตัดสินอ่ะเพิ่นผู้ไปตัดสินนี่สันกาหมาล้มเหมือนว่างขาดจากคันทะสันดานโทษสาล่วงเหือพ่อนขาดจากสันสันดาน มหะร่มไ่ยังว่างขาดจากขันธ์าติแนจนังไหยังเสื่อหุจักทามันว่เกิดว่ดับได้ยังไหนยังเสืเห็นพระสดาจวันสกท่าข้าไม่อนาข้าไม่อรหันได้ตัวสวนเข็มตัวนตาบอดโมหูจักหอดเข็มโมหุยจักห่อนได้โมหูยจักหอดวันที่สวนเข็มไมปปฏิเสธเราว่ามีผู้สนเข็มได้ตัวงโง่พันไปยืนยานาันว่าผู้อื่นทิ่โง่ตัวขนทุกข์ยืนยานาันว่าผู้ที่เป็นคนทุกข์ พวก็เป็นเศรษฐีเขาก็ยังมีอยู่ในในสมัยสมัยนี้นี่นาค้นคิดนี่แมงวันแม่ขยืนยันวัตตะมุดตะโคดนเป็นคล้องดีแมงคูอมังเพิงมันงขยืนยันแจ๊กเก็สอนดอกไม้เป็นคล้องดีมันประชาธิปไตยของใครของมั่นจะว่างเลยกัมมุนาวัตติโลกูสัตโลกก็เป็นไปตามกรรมนั่นผู้ใดกรรมอยู่ระดับใดก็ยืนยันอันนั้นเหตุทั้ง่ันจึงว่าคำคำสอนเจ้าละวัดระวาตรงต่อพันยพานเมื่ หายห้ า, หาตอบวิชานักรรมเอกเสมอเนยเขาอบอกตอบคือเก่าเด้มาที่ตอบแย่งสนามหลวงโหลดเพราะเขาเดี๋วมาปฏิบัติผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั่นเป็นสมถะหรือวิปัสนาเล่าปัญหานักรรมเอกขันตอไปถึงสนามหลวงของเพลินเป็นสมถะภาวนาเพราะสามารถถึงอุปจารสมาธิท่อนั้นไม่สามารถถึงอัปปนาสมาธิ เขาขครั้งนี้ันเถือ่อนหรือไม่เชนั้นก็จะเป็นบาริกรรมภาวนาภาวนาในบาริกรรมอย่างสูงก็อุปจาระภาวนาภาวนาในอุปจาระขาตอบอยังสูงเมือนข้อประอตอบยังท่านเ้อไหนว่าปฏิบลลัตินี้ยผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธนั้นจัะว่าเขาเป็นสมถะหรือปัจฉนานั้นยืนยันไม่ถูกเพราะว่าสนาบารมีสร้างมาแต่ก่อนไม่เสมอกันปภะจักตะปุญญาตาบางท่านก็พอบาดคาท้าเดียว ควาสำเร็จพระหรันจัเช่นพระพาหิยะเป็นต้นเราจีวางสี่หับโยกกราหรในเวลาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั้นเขาเห็นคําบริกรรมของเขาเกิดดับอยู่แต่คุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เกิดดับไปไหน<ม>เขาเห็นพร้อมกันในคณะเดียว<ม>เขาเห็นคําบริกรรมของเขาเป็นจิจ ต, ตะสังขารหรือ ว, วจีสังขารเกิดดับอยู่ในคณะนั้นเขาน้อมลงสู่ใจรักเห็นซึ่งหน้าอยู่ในปัจจุบันทั้งคําบริกรรมด้วย แต่คุณพุทธทรรมสง์ไม่ได้เกิดได้ดับไปไหนเป็นโลกุตระคุณถึงจะเป็นนามะคุณก็เป็นโลกุตระคุณถ้าเขาพิจาณาอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าเป็นสมถะหรือวิปรัชนาหรืออุปจารสมาธิเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกเข้าข้างตัวเกินไปไม่มองดูว่าชนะบารมีของแต่ละท่านละท่านเลยว่ามันสร้างมาวิธีไหนเราจิว่าทียกพระท้าห้อนอีก หนุคนผู้ภาวนาลภไปรูปมาเช่นปุถะจุนตันทกาบอแม่นบอโลภไปโลภมาและโชวแล้วนังและชังพระฤติอย่างนี้ก็ <c oughs> แต่ฉานเนี่ยปฏิสัมภิทาสีเป็นพระหันธ์พระปฏิสัมภิทาสีมันก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนาทําไมถึงมาเป็นทําไมถึงแตกฉานเนปีป็นสัมภิทาสีเล่านี่โอ้ยไปหักพระเนี่ยผุนเอมาลุงปูงเปียงว่าผุน เฏิสันฐานคาราวตานี่าลงปุงพิ้งมากผุนอะไปฮับพระเนี่ยนำมาสงสัยในคำสอนพระเจ้าเลยปฏิบัติสบายฮ่องบาสงสัยคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติเท่ารก็ได้เท่านั้นฮ่นาสงสัยคำสอนพระพุทเจ้าแ่ปฏิบัติง่ายผู้มันสงสัยคำสอนพระพุทเจ้ามันกับปฏิบัติงากนล้ นี่เขาเอาวัาน่อไหรลมไปน้ำเขาปั่นไม้สักเิียว่าตัวไมาสักไฟมปเขาหวายพราะท่นานแรกมาถามเขาเขาก็มาตอบแล้วเนาะแล้วปูมันเท่อกันล่ะล่องเข้าแต่แรกเข้าไปเ้าพวกไหวสิไม่ใชไม่ใช้ไม่ใช่่า เออเส้ยเลยเพล่องเอาไม่สิมีสติปะเป็นปว่างกันเนาะผาวายเลยเขาจังบอกเลยขึ้นไปหาในหจั๊กได้หรือว่าผู้วยฟงเสียงว่างฟ้าเยงนำกึบกึ๊บหรออะไรสอแสดงเห็นว่าสติปุ่มีว่างกะบวยยังซือกันะว่างกะบวยยรืวาผู้วมันต้องว่างเสียกะบวยอ่างเท่ารับเข้ามาเลยนี่สิมันจะบัวดังเจ้าสิบจังสี่ก็เพียงเหลงนะ ลูกผัวมาหาเขากันล่ะแต่ว่างกระบว o ว่างใคเพราะฟ้าเอียงหนามันกับเนี่ฟ้าเอียงนามันตรงนี้ได้พระบ่มีฟ้าพระบ่มีฟ้าปิดแอียงหาปับเอาปัดทุกคนเพะยุ่งเข้าไปใครก่อนหน้ามีตัวสัตว์บริโภคน้านั้นเข้ามาบริโภคเอาหางตีมตัวเลีบริโภคเือกันถ้าไปจติเพื่อกันว่าหายหนาม่าว่าหาสัตว์ต่งรายเข้าไปกี่ืมว่างฟ้าแอยงนามมันตรงสี่ได้บัดจะเอาขึ้นมันกัดนันี่ได้ ก็มาว่างมาเอากระบวยมาตักน้ําจะยใส่ยากจะให้มันวัดปงเปงอันนี้ซ่อส่อขี่ขี่ไหลส่อควอมขี่เทยเพื่นเห็นตักออกมาเลยชกถูถูชกกถูถูชกชกถูถูชกกถูถูชกชกถูถูเสียเสียก่าก่าก่าก่าบ่ถูเพื่อนก็เห็นเพื่อนคงจับเวลาสิว่างกระบวย y อะไรฟ้าอันว่างฟ้าแห้งน้าปิดเขาไงฟ้าแห้งน้ำปิดเข้ามากลับคงสิได้ ฟงไฟหนำวัตถุ น, นิสัยได้มกิดเป็เพี้ยงคอยว่างสิคอยว่างวางเอากระโวยมาวา้างนี้กจะคงยงับตงงง้งว่าองอวานจะพึงดึงเลยอไรไม่พลาจากองค์พระสวรรค์เป็นนักเรียนกระปวดมาใหม่กับเก่านี่ ขมายหลวงพูมันสิรอมฟานวัดทุตทวานะไบบินทวาด ส, สกลนักขอสองกิโลก็ได้จังหอดในเมืองเดียวนี่รถทานอ่อมมัดกับชอแสดงเห็นว่าวัดปลาเกิดก้อนวัดบาท น, นิโคท่าล่ามปลาใหม่นิโคต์นิโคท่าอันว่าใหม่นิโคต์ด้วยใบไส้โซดลกน้าใ่นหนังสือพระเวชันนอน เอกุมาราหม า, าสองกุ ม, มารเพนอกเกิดคนท้องแม่ได้ตายอันเชลุมากะสันโศกอยู่ได้แก่กูซาร่าคดึงถามแม่มั่นดาลำบากคือดังลูกเนื่อน้อยอยากกินนมองแม่ควงส้มเหีวยวหอดแม่คำผ้าหักครุดใจมัดเน่ตะบันใสยละหอยตกทำคอยพ่อแร่งพวกกินตะเ ก, กียบผักอีสานมาแม่ของคอยเนอ้อ เล่ากินตะเกียบเล่าเปนของง่ายๆเนอนั่นแหะสมัยนั้นนะแต่ฮันมะนี่มันบัโดดเนี่ยเป็นวัดบ้านวัดนะอ๋อข้างพระเจ้ากรวัดเชรษฐตะวันมหาวิหารยุท้างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีวัดบุพพาลามของนางวิสาอยู่ทางที่ตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถี ไก่เมืองสาวัสหาด้ยหารอยขาทนูขาทะนุหนึ่งซีศอกหารอยขาทะนูกระถ่อมวิญญาณที่หาเศ น, น, น, นบุพพา ร, รามเป็นสวนดอกไม้นัางวิสาขาคนท่านหายเชตตะวันมหาวิหารเป็นปลาเชิตะวันนสรสางผู้เดียวซีสกกิผาูดกระเป๋าเดียวว่นไดนไม่ซ่องขาวซ่องเฉียวจังเฮ้าเนีบบ่ยสมนะบเงินเหรียญตรงโต๊ะ่เป็นกระดาษจังเฮาเนี่ นั่นข้างพุทธการพัฒนาทั้งวัดถุนิยมทั้งอุรมคตินั่นเขาจะประหารข้างพุทธการบอกผู้เดียวกระเป๋าเดียวสาง45ิหาโกด้านนั้นครับเป็น ท, ที่กสทีชิพหาโกดโกดเนึ่งมันไม่สิบล้านเอาสิบแต่คูนไม่รู้ออก็สิบหาหาสิบถดหา1ิบซีซีิบเป็นซีชิพหาชีลอยหาสิบล้านเอากระเป๋าเดียวนั่นมตัวสิบมูอเทาจะไปเข้าใจว่า สมัยสมือเนี่ยันจะเสียวดาขั้งพรกุฎีเก่าวะท้งวัดทุนิยมก็ดีทั้งอุดมคติก็ดีวางกันเถอวัดนี่ก็เื่กันนั่งไว้สาขาตำนานหน้านึงวาสางมัดยี่สิบเก้าโกดตำนนหน้านึงสางวาสิบเก้าโกดท่านัำไมยี่สิบเก้าโกดไอ้เรื่มันกัสิบเ ก, ก้าเก้าสิบสิบสองยี่สิบเป็นยี่สิบเก้าเป็นสองหอยเก้าสิบล้านเอานั่นวัดปลาทา้งนั้น นักชีววิทยสวนจานนุ่มกับวัดป้าวัดที่นั่งมันหรือกาถวายก็เป็นวัดป้าอ๋อกูดาข้านป้ามหาวันกัวัดป้าอ๋อที่เขาสั่งให้พวกเขาเดีนสอให้พระแม่ชิยะโยนกับวัดหลังเขาทั้งนั้นนั่นเพัาะหลายวัดป้ามันเกิดที่หลังวัดบ้านมันเกิดที่หลังของบ้านรามาหานั่นอรัญวาสียังอยู่ยังยืนยง เราก็เหมือนอยู่คงคีบด้วยเมื่ออรั ญ, ญาวาสีพินาตลงคา ม, มาวาสีจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดหมุวยสุดสิ้นสกุลพุทธคนเข้าใจว่าวัดปลาไม่เกิดที่หลังวัดบ้านเมื่อเกิดที่หลังบ้านล่ามาหาทุเรศข้อนพันวากรรมฐานนกุสลยุคมันสะดอกว่าไงมันผกข้องยากว่าทุเรค้น ข้อเขียงรเราดิอ้าพระเดชพระคุณสิญุพพกรรมฐานพระเดชพระคุณบวชทีว่าจังไหนไะสั่นเกซ่าโรมานะฆาดันตาตะโจตะโจดันตาณฆ า, าโรมาเอ้าหยุดเสียก่อนเกซ่าเกซาเพราะเวลานี่เวลานอ่อยจึงเรียนต่อไปอีกให้สมกับฐานะที่เวลาที่มาบวชกับบวชกรรมฐานวัดทั้งมหาเนีกายทั้งธรรมยุทธันตัววะสั่น ท่านที่ปฏิบัติเอาหรือว่าปฏิบัติเอามันกับเรื่องของคนวะ่า